มุขีภูตกะถาว่าด้วยผู้พร่างพร้อมด้วยสังโยชน์668สกบุคคลผู้พร่างพร้อมด้วยสังโยชน์และสังโยชน์ได้ใช่ไหมปรใช่สกบุคคลผู้กำหนัดแล้วละราคาผู้ขัดเคืองแล้วและโทสะผู้หลงแล้วและโมหะผู้เศร้าหมองแล้วละกิเลสได้ใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้น สกบุคคลละราคะด้วยราคะและโทสะด้วยโทสะและโมหะด้วยโมหะและกิเลส ด, ด้วยกิเลสใช่ไหมปอรรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกราคะสัมปยุทธ์ด้วยจิตมักก็สัมปยุทธ์ด้วยจิตใช่ไหมปอรรใช่สกเนื้การประชุมแห่งพัสสะสองอย่างจิตสองดวงใช่ไหมปอรรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสก ราคะเป็นอกุศลแต่มักเป็นกุศลใช่ไหมปอรอใช่สกสภาวะธรรมที่เป็นกุศลและอกุศลที่มีโทษและไม่มีโทษที่เลวและประณีตที่เป็นฝ่ายดำเป็นฝ่ายขาวและเป็นฝ่ายมีส่วนเปรียบมาประชุมกันได้ใช่ไหมปอรอไม่ควรกล่าวอย่างนั้นหกร้อยหกก้าสกสภาวะธรรมที่เป็นกุศลและอกุศล ที่มีโทษและไม่มีโทษที่เลวและประนีที่เป็นฝ่ายดำเป็นฝ่ายขาวและเป็นฝ่ายมีส่วนเปรียบมาประชุมกันได้ใช่ไหมป ร, รใช่สกพระสู่ที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าทิศสุทั้งหลายสิ่งที่อยู่ห่างไกลกันหรือเกินสี่อย่างนี้สิ่งที่อยู่ห่างไกลกันหรือเกินสี่อย่างอะไรบ้างคือหนึ่งท้องฟ้ากับแผ่นดิน นี้เป็นสิ่งที่อยู่ห่างไกลกันเหลือเกินอย่างที่หนึ่งละถึงเพราะฉะนั้นธรรมของสัพพุรุษจึงห่างไกลกันกับธรรมของอสัพบุรุษมีอยู่จริงไม่ใช่หรือปรใช่สอกอดังนั้นท่านจึงไม่ควรยอมรับว่าสภาวะธรรมที่เป็นกุศลและอกุศลาศมาประชุมกันได้สอกอบุคคลผู้พรั่งพร้อมด้วยสังโยชน์และสังโยชน์ได้ใช่ไหมปรใช่ สกพระสูตรที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าบุคคลนั้นเมื่อจิตตั้งมั่นอย่างนี้ย่อมน้อมจิตไปเพื่อญาณเป็นเครื่องสิ้นอสุวะมีอยู่จริงมิใช่หรือปรใช่สกดังนั้นท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าบุคคลผู้พรั่งพร้อมด้วยสังโยชน์และสังโยชน์ได้หกร้อยเจ็ดสิบปรท่านไม่ยอมรับว่า บุคคลผู้พรั่งพร้อมด้วยสังโยชน์และสังโยชน์ได้ใช่ไหมสกใช่ปรพระสูตรที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าภิกษุนั้นเมื่อรู้เห็นอยู่อย่างนี้จิตย่อมหลุดพ้นจากกลามาสะวะบ้างจากอวิชชาจวะบ้างมีอยู่จริงไม่ใช่หรือสอกอใช่ปรดังนั้นบุคคลผู้พรั่งพร้อมด้วยสังโยชน์จึงละสังโยชน์ได้ จำมุขสีภูตะกถาจบเจ็สมาปันโนอัสสาเทติกถาว่าด้วยผู้เข้าสมาบัตดย่อมยินดีหกร้อยเจ็ดสิบเอ็ดสกบุคคลผู้เข้าสมาบัตดย่อมยินดีความยินดีในฌานมีฌานเป็นอารมณ์ใช่ไหมปรอใช่สกฌานนั้นเป็นอารมณ์ของฌานนั้นใช่ไหมปรอไม่ควรกล่าวอย่างนั้น สกชานั้นเป็นอารมณ์ของชานั้นใช่ไหมปรใช่สกบุคคลถูกต้องภาษานั้นด้วยภาษะนั้นสวยเวทนานั้นด้วยเวทนานั้นจำสัญญานั้นด้วยสัญญานั้นจงใจเจตนานั้นด้วยเจตนานั้นคิดจิตนั้นด้วยจิตนั้นตรึกวิตกนั้นด้วยวิตกนั้นตรองวิจารณนั้นด้วยวิจารณนั้นเอิบอิ่มปิตินั้นด้วยปิตินั้น ประลุสตินั้นด้วยสตินั้นรู้ชัดปัญญานั้นด้วยปัญญานั้นใช่ไหมปอรรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกความยินดีในฌานสัมปยุทธ์ด้วยจิตฌานก็สัมปยุทธ์ด้วยจิตใช่ไหมปอร์ใช่สกมีการประชุมแห่งปัสสะสองอย่างจิตสองดวงใช่ไหมปอร์ไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกความยินดีในฌานเป็นอกุศล แต่ฌานเป็นกุศลใช่ไหมป ร, รใช่สกสภาวะธรรมที่เป็นกุศลและอกุศลที่มีโทษและไม่มีโทษที่เลวและประณีที่เป็นฝ่ายดำเป็นฝ่ายขาวและเป็นฝ่ายมีส่วนเปรียบมาประชุมกันได้ใช่ไหมป ร, รไม่ควรกล่าวอย่างนั้นหกร้อยเจ็ดสิบสองสกสภาวะธรรมที่เป็นกุศลและอกุศลที่มีโทษและไม่มีโทษ ที่เลวและประนีตที่เป็นฝ่ายดำเป็นฝ่ายขาวและเป็นฝ่ายมีส่วนเปรียบมาประชุมกันได้ใช่ไหมป ร, รใช่สกพระสูตรที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าภิกษุทั้งหลายสิ่งที่อยู่ห่างไกลกันเหลือเกินสี่อย่างนี้สิ่งที่อยู่ห่างไกลกันเหลือเกินสี่อย่างอะไรบ้างคือหนึ่งท้องฟ้ากับแผ่นดินนี้เป็นสิ่งที่อยู่ห่างไกลกันเหลือเกินอย่างที่หนึ่ง ละถึงเพราะฉะนั้นธรรมของสัพพุรุษจึงห่างไกลกันกับธรรมของอสัพพุรุษมีอยู่จริงไม่ใช่หรือปอรอใช่สกดังนั้นท่านจึงไม่ควรยอมรับว่าสภาวะธรรมที่เป็นกุศลและอกุศลที่มีโทษและไม่มีโทษที่เลวและประนีที่เป็นฝ่ายดำเป็นฝ่ายขาวและเป็นฝ่ายมีส่วนเปรียบมาประชุมกันได้หกร้อยเจ็ดสิบสาม ปรท่านไม่ยอมรับว่าผู้เข้าสมาบัดย่อมยินดีความยินดีในฌานมีฌานเป็นอารมณ์ใช่ไหมสอกอใช่ปอรรพระสูตรที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าภิกษุทั้งหลายพิกษุในธรรมวิ น, นัยนี้สงัดจากกลามทั้งหลายบรรลุปฐมฌานอยู่เธอยินดีในปฐมฌานนั้นติดใจปฐมฌานนั้นและถึงความปลื้มใจด้วยฌานนั้น เพราะวิตกและวิจาร์สรงบระงับไปบรรลุทุติยฌานบรรลุตติยฌานบรรลุจตุทัชฌานอยู่เธอยินดีในจัจตุทัชฌานนั้นติดใจเจตุทัชฌานนั้นและถึงความปลื้มใจด้วยจัจตุทัชฌานนั้นมีอยู่จริงไม่ใช่หรือสอกอใช่ปรดังนั้นผู้เข้าสมาบัตย่อมยินดีความยินดีในฌานจึงมีฌานเป็นอารมณ์ สมาปัโนโนอาสาเทติกถาจบ 8. อาสาตาราะกถาว่าด้วยความยินดีในสิ่งที่ไม่ชอบใจห7 4อ้อเจส่อกความยินดีในสิ่งที่ไม่ชอบใจมีอยู่ใช่ไหมปอรอใช่สกสัตว์ทั้งหลายเป็นผู้ยินดีอย่างยิ่งในทุกข์บางพวกปรารถนากระยิ่มสแสวงหาค้นหาเสาะหาทุกข์ ยึดทุกดารงอยู่ใช่ไหมปอรอไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสอกอสัตว์ทั้งหลายเป็นผู้ยินดีอย่างยิ่งในสุขบางพวกปรารถนากระยิ่มสแสวงหาค้นหาเสาะหาสุขยึดสุขดํารงอยู่ใช่ไหมปอ ร, รอใช่สอกอหากสัตว์ทั้งหลา ย, าายเป็นผู้ยินดีอย่างยิ่งในสุขบางพวกปรารถนากระยิ่มสแสวงหาค้นหาเสาะหาสุขยึดสุข ดำรงอยู่ท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าความยินดีในสิ่งที่ไม่ชอบใจมีอยู่สก <ส gender. S 1> ความยินดีในสิ่งที่ไม่ชอบใจมีอยู่ใช่ไหมปรใช่สก ร, ราคานุสัยนอนเนื่อง อ, อยู่ในทุกขเวทนาปฏิคานุสัยนอนเนื่องอยู่ในสุขเวทนาใช่ไหมปรไม่ lame. ควรกล่าวอย่างนั้นสก ร, ราคานุสัยนอนเนื่องอยู่ในสุขเวทนา ปฏิคานุสัยนอนนึ่งอยู่ในทุกขเวทนาไม่ใช่หรือปรใช่สกหากราคานุสัยนอนนึ่งอยู่ในสุขเวทนาปฏิคานุสัยนอนนึ่งอยู่ในทุกขเวทนาท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าความยินดีในสิ่งที่ไม่ชอบใจมีอยู่หกร้อเจ็ดสห้าปรท่านไม่ยอมรับว่าความยินดีในสิ่งที่ไม่ชอบใจมีอยู่ใช่ไหมสากาใช่ปร พระสูตรที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าบุคคลนั้นสมบูรณ์ด้วยความยินดีหรือความยินร้ายอย่างนี้แล้วเสวยเวทนาอย่างใดอย่างหนึ่งจะเป็นสุขเวทนาทุกขเวทนาหรืออทุกขมสุขเวทนาก็ตามเขาย่อมเพลิดเพลินบ่นถึงติดใจเวทนานั้นมีอยู่จริงไม่ใช่หรือสอกอใช่ปอรอดังนั้นความยินดีในสิ่งที่ไม่ชอบใจจึงมีอยู่ อาจารตราคตถาจบเกธรรมตันหาอัพยากตาติคถาว่าด้วยธรรมตันหาเป็นอัพยากฤิตหกร้อยเจ็ดสิบหกสกอธรรมตันหาเป็นอัพยากฤิตใช่ไหมปรอใช่สอกอธรรมตันหาเป็นอัพยากรฝ่ายวิบากเป็นอัพยากรฝ่ายกริยาเป็นรูปเป็นนิพานเป็นจักขาญตนะ เป็นโพธพายตนะใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกธรรมตันหาเป็นอภยากฤิใช่ไหมปรใช่สกรูปตันหาเป็นอัพยากฤิชใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกธรรมตันหาเป็นอภยากฤิชใช่ไหมปรใช่สกสัทตันหาคันทตันหารส ะ, ะตันหา โพธะพัตันหาเป็นอพยากรใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกรูปปัตนหาเป็นอกุศลใช่ไหมปรใช่สกธรรมตันหาเป็นอกุศลใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกสัตธตันหาโพธะพัตันหาเป็นอกุศลใช่ไหมปรใช่สกธรรมตันหาเป็นอกุศลใช่ไหม ปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นห้อยเจ็สเจกธรรมตันหาเป็นอภยากลิใช่ไหมปรใช่สกตันหาพระผู้มีพระภาคตรัสว่าเป็น อ, ก, อกุศลไม่ใช่หรือปรใช่สกหากตันหาพระผู้มีพระภาคตรัสว่าเป็น อ, ก, อกุศลท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าธรรมตันหาเป็นอัยากฤิทธิสก ธรรมตันหาเป็นอภยากฤิใช่ไหมปรใช่สกโลภะพระผู้มีพระภาคตรัสว่าเป็นอกุศลธรรมตันหาเป็นโลภะมิใช่หรือปรใช่สกหากโลภะพระผู้มีพระภาคตรัสว่าเป็นอกุศลธรรมตันหาเป็นโลภะท่านก็มีควรยอมรับว่าธรรมตันหาเป็นอภยากฤิทธ์ห้อยเจ็ดสิบแปดสก โลภะคือธรรมตันหาเป็นอภยากฤิใช่ไหมปรใช่สกโลภะคือรูปตันหาเป็นอภยากฤิใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกโลภะคือธรรมตันหาเป็นอภยากฤิใช่ไหมปรใช่สกโลภะคือสัทธตันหาโลภะคือโธภตันหาเป็นอภยากฤิใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้น สกโลภะคือรูปตันหาเป็นอกุศลใช่ไหมปรอใช่สกโลภะคือธรรมตันหาเป็นอกุศลใช่ไหมปรอไม่ควรกล่า <longitudinal> ว <water> อย่างนั้นสกโลภะคือสัทธตันหาโลภะคือโพธพตันหาเป็นอกุศลใช่ไหมปรอใช่สกโลภะคือธรรมตันหาเป็นอกุศลใช่ไหมปรอไม่ควรกล่าวอย่างนั้น 679. ็สกธรรมตันหาเป็นอัพยากฤดใช่ไหมปรใช่สกพระสูตรที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าตันหาอันทําให้เกิดอีกประกอบด้วยความเพลิดเพลินและความกำหนัดมีปกติให้เพลิดเพลินในอารมณ์นั้นๆคคอกามะตันหาภวะตันหาวิภวะตันหามีอยู่จริงไม่ใช่หรือปรใช่สกดังนั้น ท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าธรรมตันหาเป็นอภยยากฤิตหกร้อยแปดสิบปรท่านไม่ยอมรับว่าธรรมตันหาเป็นอัพยากฤิตใช่ไหมสกใช่ปรตันหานั้นเป็นธรรมตันหาไม่ใช่หรือสกใช่ปรหากตันหานั้นเป็นธรรมตันหาดังนั้นท่านจึงควรยอมรับว่าธรรมตันหาเป็นอัพยากฤิต ธรรมตันหาอัพยากตาติกรถาจบส0ธรรมตันหาณทุกขะสมุทยโยติกรถาว่าด้วยธรรมตันหาไม่เป็นทุกขะสมุทัยหกร้อยแปดสิบเอ็ดสกธรรมตันหาไม่เป็นทุกขะสมุทัยใช่ไหมปรใช่สกรูปตันหาไม่เป็นทุกขะสมุทัยใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้น สกธรรมตันหาไม่เป็นทุกขสมุทัยใช่ไหมปรใช่สกสัทตันหาคันทตันหาพระสตันหาโพธะพะตันหาไม่เป็นทุกขสมุทัยใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกรูปปัตนหาเป็นทุกขสมุทัยใช่ไหมปรใช่สกธรรมตันหาเป็นทุกขสมุทัยใช่ไหม ปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกสัทตันหาคันธตันหาพระจตันหาโพธพัตันหาเป็นทุกขสมุทัยใช่ไหมปรใช่สกธรรมตันหาเป็นทุกขสมุทัยใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นหกร้อยแปดสิบสองสกธรรมตันหาไม่เ eh ป็นทุกขสมุทัยใช่ไหมปรใช่สก ตันหาพระผู้มีพระภาคตรัสว่าเป็นทุกขะสมุทัยมิใช่หรือปรใช่สกหากตันหาพระผู้มีพระภาคตรัสว่าเป็นทุกขะสมุทัยท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าธรรมตันหาไม่เป็นทุกขะสมุทัยสกธรรมตันหาไม่เป็นทุกขะสมุทัยใช่ไหมปรใช่สกโลภะพระผู้มีพระภาคตรัสว่าเป็นทุกขะสมุทัย ธรรมตันหาเป็นโลภะไม่ใช่หรือป ร, รใช่สกหากโลภะพระผู้มีพระภาคตรัสว่าเป็นทุกขะสมุทัยและธรรมตันหาเป็นโลภะท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าธรรมตันหาไม่เป็นทุกขะสมุทัยหกร้อยแปดสิบสามสกโลภะคือธรรมตันหาไม่เป็นทุกขะสมุทัยใช่ไหมป ร, รใช่สก โลภะคือรูปตันหาไม่เป็นทุกขะสมุทัยใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกโลภะคือธรรมตันหาไม่เป็นทุกขะสมุทัยใช่ไหมปรใช่สกโลภะคือสัทธตันหาโลภะคือคันทตันหาโลภะคือรัชตันหาโลภะคือโพธพาตันหาไม่เป็นทุกขะสมุทัยใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้น สกโลภะคือร <unlucky. S 2> ูปปัตหาเป็นทุกขสมุทัยใช่ไหมปรอใช่สกโลภะคือธรรมตัตหาเป็นทุกขสมุทัยใช่ไหมปรอไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกโลภะคือสัทธัตัญหาโลภะคือโผธพัตตัญหาเป็นทุกขสมุทัยใช่ไหมปรอใช่สกโลภะคือธรรมตัตหาเป็นทุกขสมุทัยใช่ไหม ปอรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นห้อแปดสบสี่สกธรรมตัญหาไม่เป็นทุกขสมมุทัยใช่ไหมปอรใช่สกเพราะสูตรที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าตันหาอันทำให้เกิดอีกประกอบด้วยความเพลิดเพลินและความกำหนัดมีปกติให้เพลิดเพลินในอารมณ์นั้นๆคือกา ร, รมตัญหาภวะตัญหาวิภวะตันห า, ะะนหามีอยู่จริงมิใช่หรือ ปรใช่สกดังนั้นท่านจึงไม่ควรยอมรับว่าธรรมตัณหาไม่เป็นทุกขะสมุทัยหกร้อปดสิบห้าปรท่านไม่ยอมรับว่าธรรมตัณหาไม่เป็นทุกขะสมุทัยใช่ไหมสกใช่ปรตัณหานั้นเป็นธรรมตัณหาไม่ใช่หรือสกใช่ปรหากตัณหานั้นเป็นธรรมตัณหา ท่านก็ควรยอมรับว่าธรรมตัณหาไม่เป็นทุกขะสมุทัยธรรมตัณหาณะทุกขะสมุทยโยติกถาจบเตระสะมะวักจบรวมกถาที่มีนิวรักษ์นี้คือหนึ่งกัปปะฐกถาสองกุสลปฏิลาภะกถาสอันันตราปยุตตะกถาสนิยตัสนิยามะกถา หนิวตตะกถา 6. สา ม, มุขีภูตะกะถาเจ็ 7. สมาปันโนอาสาเทติกถา 8. อาสาตาราคะกา 9. ถาเกธรมมตัญหาอาพยากตาติกะถาส0ธรมมตัญหาณทุขสมุทโยติกะถา สจุดทศรรมาวัคหนึ่งกุศลากุศลปฏิสันทหานักขาว่าด้วยความสืบต่อแห่งกุศลและอกุศล686้อสกสกกุศลลมูลสืบต่ออกุศลมูลได้ใช่ไหมปอรอใช่สกความนึกถึงความตั้งใจเพื่อความเกิดขึ้นแห่งอกุศลนั้นก็เพื่อความเกิดขึ้นแห่งกุศลใช่ไหม ปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกผู้สลมูลสืบต่ออกุศลมูลได้แต่ท่านไม่ยอมรับว่าความนึกถึงความตั้งใจเพื่อความเกิดขึ้นแห่งอกุลนั้นก็เพื่อความเกิดขึ้นแห่งกุศลใช่ไหมปรใช่สกกุศลเกิดขึ้นแต่ผู้ไม่นึกถึงอยู่ไม่ตั้งใจอยู่ใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสก กุศลเกิดขึ้นแก่ผู้นึกถึงอยู่ตั้งใจอยู่ไม่ใช่หรือปรใช่สกหากกุศลเกิดขึ้นแก่ผู้นึกถึงอยู่ตั้งใจอยู่ท่านก็ไม่ควรยอมรับว่ากุศลมูลสืบต่ออกุศลมูลได้หกร้อยปสิบเจดสกกุศลลมูลสืบต่ออกุศลมูลได้ใช่ไหมปรใช่สก อกุศลเกิดขึ้นแก่ผู้มนุษการอยู่โดยไม่แยบคลายใช่ไหมปรใช่สกกุศลเกิดขึ้นแก่ผู้มนุษการอยู่โดยไม่แยบคลายใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกกุศลเกิดขึ้นแก่ผู้มนุิการอยู่โดยแยบคลายไม่ใช่หรือปรใช่สกหากกุศลเกิดขึ้นแก่ผู้มนุิยการอยู่โดยแยบคายท่านก็ไม่ควรยอมรับว่า กุศลมูลเสืบต่ออกุศลมูลได้สกกุศลมูลเสืบต่ออกุศลมูลได้ใช่ไหมปรใช่สกแน่ขมาสัญญาเกิดขึ้นในลำดับแห่งขมาสัญญาอพยปาทสัญญาเกิดขึ้นในลำดับแห่งพยาบาทสัญญาวิหิงสาสัญญาเกิดขึ้นในลำดับแห่งวิหิงสาสัญญาเมตตาเกิดขึ้นในลำดับแห่งพยาบาท กรุณาเกิดขึ้นในลำดับแห่งวิหิงสามุทิตาเกิดขึ้นในลำดับแห่งอารติอุเบกคาเกิดขึ้นในลำดับแห่งปฏิฆะใช่ไหมปอรอไม่ควรกล่าวอย่างนั้นหกร้ปดสิบกอกุศลลมูลสืบต่อกุศลมูลได้ใช่ไหมปอรอใช่สกอความนึกถึงความตั้งใจเพื่อความเกิดขึ้นแห่งกุศลนั้น ก็เพื่อความเกิดขึ้นแห่งอกุศลใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกอกุศลลมูลสืบต่อกุศลมูลได้แต่ท่านไม่ยอมรับว่าความนึกถึงความตั้งใจเพื่อความเกิดขึ้นแห่งกุศลนั้นก็เพื่อความเกิดขึ้นแห่งอกุศลใช่ไหมปรใช่สกอกุศลเกิดขึ้นแก่ผู้ไม่นึกถึงอยู่ไม่ตั้งใจอยู่ใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้น สอก อ, อากุศลเกิดขึ้นแก่ผู้นึกถึงอยู่ตั้งใจอยู่ไม่ใช่หรือปรใช่สอกอหากอากุศลเกิดขึ้นแก่ผู้นึกถึงอยู่ตั้งใจอยู่ท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าอากุศลระมูลสืบต่อกุศลละมูลได้หกร้อยแปดสิก้าอกุศลละมูลสืบต่อกุศลละมูลได้ใช่ไหมปรใช่สอกอ กุศลเกิดขึ้นแก่ผู้มนสษการอยู่โดยแยบคายใช่ไหมปรใช่สกเอกุศลเกิดขึ้นแก่ผู้มนสิยการอยู่โดยแยบคายใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกเอากุศลเกิดขึ้นแก่ผู้มนสษยการอยู่โดยไม่แยบคายไม่ใช่หรือปรใช่สกหากอกุศลเกิดขึ้นแก่ผู้มนสษการโดยไม่แยบคายท่านก็ไม่ควรยอมรับว่า อกุศละมูลสืบต่อกุศลมูลได้สกอากุศลมูลสืบต่อกุศลมูลได้ใช่ไหมปอรอใช่สกการมสัญญาเกิดขึ้นในลำดับแผงเนคขมสัญญาพยาปาทสัญญาเกิดขึ้นในลำดับแห่งอพยาปาทสัญญาวิหิงสาสัญญาเกิดขึ้นในลำดับแผงอวิหิงสาสัญญาพยาบาทเกิดขึ้นในลำดับแห่งเมตตา วิหิงสาเกิดขึ้นในลำดับแห่งกรุณาพระรติเกิดขึ้นในลำดับแห่งมูติตาปฏิฆะเกิดขึ้นในลำดับแห่งอุเบกขาใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นหกร้อยเก้าสิบปรท่านไม่ยอมรับว่ากุศลมูลสืบต่ออกุศลมูลได้อกุศลมูลสืบต่อกุศลมูลได้ใช่ไหมสกใช่ปรจิต คลายกำห น, นัดในวัตถุที่ตนกำหนัดกำหนัดในวัตถุที่ตนคลายกำหนัดเท่านั้นไม่ใช่หรือสอกอใช่ปรห้าจิตคลายกำห น, นัดในวัตถุที่ตนกำหนัดกำหนัดในวัตถุที่ตนคลายกำหนัดดังนั้นท่านจึงควรยอมรับว่ากุศลมูลสืบต่ออกุศลมูลได้อกุศลมูลก็สืบต่อกุศลมูลได้กุศลากุสลปฏิสันทะหนะกะักถาจบ สองสลายตนุปปติกระถาว่าด้วยความเกิดขึ้นแห่งอายตนะหกหก้เก้าสอกออายตนะหกเกิดในคันมารดาไม่ก่อนไม่หลังกันใช่ไหมปอรอใช่สอกอบุคคลมีอวัยวะน้อยใหญ่ครบถ้วนมีอินทรีย์ไม่บกพร่องอย่างลงในคันมารดาใช่ไหมปอรอไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสอกอ จักพายาตนะเกิดพร้อมกับปฏิสนธิจิตใช่ไหมป ร, รใช่สกมือเทา้าศีรษะหูจมูกปากฟันเกิดพร้อมกับปฏิสนธิจิตใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกโซตายาตนะคานายาตนะชิวหายาตนะเกิดพร้อมกับปฏิสนธิจิตใช่ไหมป ร, รใช่สกมือเทา้าศีรษะ หูจมูกปากฟันเกิดพร้อมกับปฏิสนธิจรใช่ไหมปอรอไม่ควรกล่าวอย่างนั้นโผล่ร้อยก้าปอรอจะคายตนะเกิดขึ้นแก่สัตว์ผู้อยู่ในคันมารดาในภายหลังใช่ไหมสกใช่ปอรอสัตว์ผู้อยู่ในคันมารดาทำกรรมเพื่อได้จักษุอยู่ในคันมารดาใช่ไหมสกไม่ควรกล่าวอย่างนั้นปอรอ โส ต, ตายตนะคานายตนะชิวหายตนะเกิดขึ้นแก่สัตว์ผู้อยู่ในคันมารดาในภายหลังใช่ไหมสกใช่ปรสัตว์ผู้อยู่ในคันมารดาทำกรรมเพื่อได้ชิวหาอยู่ในคันมารดาใช่ไหมสกไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกผมขนเล็บฟันกระดูกเกิดขึ้นแก่สัตว์ผู้อยู่ในคันมารดาในภายหลังใช่ไหมปรใช่ สกสัตผู้อยู่ในคันมารดาทำกรรมเพื่อได้อัถิอยู่ในคันมารดาใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกท่านไม่ยอมรับว่าผมขนเล็บฟันกระดูกเกิดขึ้นแก่สัตว์ผู้อยู่ในคันมารดาในภายหลังใช่ไหมปรใช่สกพระสูตรที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่ารูปนี้เป็นกาลละอ่อนจากกาละละเกิดเป็นอภุ t จากอภูธะเกิดเป็นเปสิจากเปสิเกิดเป็นคณะจากคณะเกิดเป็นปุ่มห้าปุ่มต่อจากนั้นผมขนเล็บจึงเกิดขึ้นมารดาของสัตว์ผู้อยู่ในคันนั้นบริโภคข้าวน้ำโภชนาหารอย่างใดสัตว์ผู้อยู่ในคันมารดานั้นก็ยังอัตภาพให้เป็นไปในคันด้วยข้าวน้ำโภชนาาหารอย่างนั้นมีอยู่จริงไม่ใช่หรือ ปรใช่สกดังนั้นผมขนเล็บฟันกระดูกจึงเกิดขึ้นแก่สัตว์ผู้อยู่ในคันมารดาในภายหลังสลาตนุ ป, ปัติกถาจบ 3. อนันตระปัจจะกถาว่าด้วยอนันตระปัจใจหรยเก้าสสกโสตะวิญญาณเกิดขึ้นในลำดับแห่งจกักรวิญญาณใช่ไหม ปรใช่สกความนึกถึงความตั้งใจเพื่อความเกิดขึ้นแห่งจักุวิญญาณนั้นก็เพื่อความเกิดขึ้นแห่งโสตะวิญญาณใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกโสตะวิญญาณเกิดขึ้นในลำดับแห่งจักุวิญญาณแต่ท่านไม่ยอมรับว่าความนึกถึงความตั้งใจเพื่อความเกิดขึ้นแห่งจักรวิญญาณนั้นก็เพื่อความเกิดขึ้นแห่งโสตะวิญญาณใช่ไหม ปรใช่สกโสตะวิญญาณเกิดขึ e. ้นแสงผู้ไม่นึกถึงอยู่ไม่ตั้งใจอยู่ใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกโสตะวิญญาณเกิดขึ้นแสงผู้นึกถึงอยู่ตั้งใจอยู่มิใช่หรือปรใช่สกหากโสตะวิญญาณเกิดขึ้นแสงผู้นึกถึงอยู่ตั้งใจอยู่ท่านก็ไม่ควรยอมรับว่า โซตวิญญาณเกิดขึ้นในลำดับแห่งจักขคูวิญญาณหกร้กส่สกโสตะวิญญาณเกิดขึ้นในลำดับแห่งจักขคูวิญญาณใช่ไหมปรใช่สกจักขคูวิญญาณเกิดขึ้นแต่ผู้มนสษการรูปนี้ไม่ใช่ไหมปรใช่สกโสตะวิญญาณเกิดขึ้นแต่ผู้มนสษการรูปนี้ไม่ใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้น สกจากขวิญญาณมีรูปเป็นอารมณ์เท่านั้นไม่มีอย่างอื่นเป็นอารมณ์ใช่ไหมปรใช่สกโสตะวิญญาณมีรูปเป็นอารมณ์เท่านั้นไม่มีอย่างอื่นเป็นอารมณ์ใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกเพราะอาศัยจากสุและรูปจากขวิญญาณจึงเกิดขึ้นใช่ไหมปรใช่สกเพราะอาศัยจากสุและรูป โสตะวิญญาณจึงเกิดขึ้นใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกเพราะอาศัยจักษุและรูปโสตะวิญญาณจึงเกิดขึ้นใช่ไหมปรใช่สกพระสูตรที่ว่าเพราะอาศัยจักษุและรูปโสตะวิญญาณจึงเกิดขึ้นมีอยู่จริงใช่ไหมปรไม่มีสกพระสูตรที่ว่าเพราะอาศัยจักษุและรูป จักขวิญญาณจึงเกิดขึ้นมีอยู่จริงใช่ไหมปรใช่สกหากพระสูตรที่ว่าเพราะอาศัยจักสุกับรูปจักขวิญญาณจึงเกิดขึ้นมีอยู่จริงท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าเพราะอาศัยจักสุและรูปโสตะวิญญาณจึงเกิดขึ้นสกโสตะวิญญาณเกิดขึ้นในลำดับแห่งจักขุวิญญาณใช่ไหมปรใช่สก จะขูวิญญาณกับโสตะวิญญาณเป็นอย่างเดียวกันใช่ไหมปอรอไม่ควรกล่าวอย่างนั้นหกร้อเก้าสิบห้าสกคานวิญญาณเกิดขึ้นในลำดับแห่งโสตะวิญญาณชิวหาวิญญาณเกิดขึ้นในลำดับแห่งคานวิญญาณกายะวิญญาณเกิดขึ้นในลำดับแห่งชิวหาวิญญาณใช่ไหมปรอใช่สกความนึกถึงความตั้งใจ เพื่อความเกิดขึ้นแห่งชิวหาวิญญาณนั้นก็เพื่อความเกิดขึ้นแห่งกายวิญญาณใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกกายวิญญาณเกิดขึ้นในลำดับแห่งชิวหาวิญญาณแต่ท่านไม่ยอมรับว่าความนึกถึงความตั้งใจเพื่อความเกิดขึ้นแห่งชิวหาวิญญาณนั้นก็เพื่อความเกิดขึ้นแห่งกายวิญญาณใช่ไหมปรใช่สก กายวิญญาณเกิดขึ้นแก่ผู้ไม่นึกถึงอยู่ไม่ตั้งใจอยู่ใช่ไหมปอรอไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกกายวิญญาณเกิดขึ้นแก่ผู้นึกถึงอยู่ตั้งใจอยู่ไม่ใช่หรือปอรอใช่สกหากกายวิญญาณเกิดขึ้นแก่ผู้นึกถึงอยู่ผู้ตั้งใจอยู่ท่านก็ไม่ควรยอมรับว่ากายวิญญาณเกิดขึ้นในลำดับแผงชิวหาวิญญาณโคร้ห สกกายวิญญาณเกิดขึ้นในลำดับแห่งชิวหาวิญญาณใช่ไหมปรใช่สกชิวหาวิญญาณเกิดขึ้นแก่ผู้มนัสสการรสนิมิตรใช่ไหมปรใช่สกกายวิญญาณเกิดขึ้นแก่ผู้มนัสสการรสนิมิตรใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกชิวหาวิญญาณมีรบเป็นอารมณ์เท่านั้นไม่มีอย่างอื่นเป็นอารมณ์ใช่ไหม ปรใช่สกกายวิญญาณมีรถเป็นอารมณ์เท่านั้นไม่มีอย่างอื่นเป็นอารมณ์ใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกเพราะอาศัยชิวหาและรถชิวหาวิญญาณจึงเกิดขึ้นใช่ไหมปรใช่สกเพราะอาศัยชิวหาและรถกายวิญญาณจึงเกิดข well <man> ึ <mon> ้นใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสก เพราะอาศัยชิวหาและรถกายวิญญาณจึงเกิดขึ้นใช่ไหมปรใช่สกพระสูตรที่ว่าเพราะอาศัยชิวหาและรถกายวิญญาณจึงเกิดขึ้นมีอยู่ใช่ไหมปรไม่มีสกพระสูตรที่ว่าเพราะอาศัยชิวหาและรถชิวหาวิญญาณจึงเกิดขึ้นมีอยู่ใช่ไหมปรใช่สกหากพระสูตรที่ว่า เพราะอาศัยชิวหาและรสชิวหาวิญญาณจึงเกิดขึ้นมีอยู่จริงท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าเพราะอาศัยชิวหาและรสกายวิญญาณจึงเกิดขึ้นสกกายวิญญาณเกิดขึ้นในลำดับแห่งชิวหาวิญญาณใช่ไหมปรอใช่สกชิวหาวิญญาณกับกายวิญญาณเป็นอย่างเดียวกันใช่ไหมปรอไม่ควรกล่าวอย่างนั้นหกร้เกเจด ปรท่านไม่ยอมรับว่าวิญญาณห้าเกิดขึ้นต่อเนื่องกันแล้วกันใช่ไหมสกใช่ปรบางคนที่ฟ้อนรำขับร้องประคมดนตรีเห็นรูปฟังเสียงดมกลิ่นลิ้มรสและถูกต้องผัวทพะมีอยู่ไม่ใช่หรือสอกอใช่ปรหากบางคนที่ฟ้อนรำขับร้องประคอดนตรีเห็นรูปฟังเสียงดมกลิ่น ลิ้มรสและถูกต้องโพธภะได้มีอยู่ดังนั้นท่านจึงควรยอมรับว่าวิญญาณห้าเกิดขึ้นต่อเนื่องกันแล้วกันอนันตระปัจยกถาจบ 4. อริยรู ป, ปกถาว่าด้วยอริยรูปห9 8้อเกสสอก อ, อริยรูปอาศัยมหาปุตรูปใช่ไหมปอรใช่สอกอ อริยรูปเป็นกุศลใช่ไหมปรใช่สกมหาภูตรูปเป็นกุศลใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกมหาภูตรูปเป็นอัพยากฤิใช่ไหมปรใช่สกอริยรูปเป็นอัพยากฤิใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกอริยรูปอาศัยมหาภูตรูปใช่ไหมปรใช่ สกอริยารูปไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะไม่เป็นอารมณ์ของสังโยชน์ไม่เป็นอารมณ์ของคันทะไม่เป็นอารมณ์ของโอคะไม่เป็นอารมณ์ของโยคะไม่เป็นอารมณ์ของนิวรณ์ไม่เป็นอารมณ์ของปรามาสไม่เป็นอารมณ์ของอุปาทานไม่เป็นอารมณ์ของสังกิเลใช่ไหมปอรใช่ยสกมหาภูตรูปไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะไม่เป็นอารมณ์ของสังกิเลใช่ไหม ปอรรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสอกอมหาภูตรูปเป็นอารมณ์ของอาสวะเป็นอารมณ์ของสังโยชน์เป็นอารมณ์ของสังกิเลสใช่ไหมปอรรใช่สอกอรอริยารูปเป็นอารมณ์ของอาสวะเป็นอารมณ์ของสังโยชน์เป็นอารมณ์ของสังกิเลสใช่ไหมปอรรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นหกร้อเก้าสิบเกปอรรรท่านไม่ยอมรับว่า อริยรูปอาศัยมหาภูตรูปใช่ไหมสกใช่ปรพระสูตรที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าภิกษุทั้งหลายรูปอย่างใดอย่างหนึ่งคือมหาภูตรูปสี่และรูปที่อาศัยมหาภูตรูปสี่มีอยู่จริงมิใช่หรือสอกอใช่ปรดังนั้นอริยรูปจึงอาศัยมหาภูตรูปอริยรูปปถาจบ หอั ญ, ญโยอนุสัยโยติกถาว่าด้วยอนุสัยเป็นคนละอย่างกันกับปริยุทธา น, นิ ก, กเลตเจดร้อยสอก伽มราคะนุสัยกับก伽มาราคะปริยุทธานเป็นคนละอย่างกันใช่ไหมปรใช่สกก伽มราคะกับก伽มราคะปริยุทธานเป็นคนละอย่างกันใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสก การมราคะกับการมราคะปริยุทธานเป็นอย่างเดียวกันใช่ไหมปรอใช่สกการมร a คานุส a i กับการมร a ค a ปริยุทธานเป็นอย่างเดียวกันใช่ไหมปรอไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกปฏิฆานุัยกับปฏิฆาปริยุทธานเป็นคนละอย่างกันใช่ไหมปรอใช่สกปฏิฆากับปฏิฆาปริยุทธานเป็นคนละอย่างกันใช่ไหม ปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกปฏิฆะกับปฏิคะ ป, คปริยุทธานเป็นอย่างเดียวกันใช่ไห ม, ป ร, มปรใช่สกปฏิคานุสัยกับปฏิฆะปาริยุทธานเป็นอย่างเดียวกันใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกนมานานุสัยกับมานะปริยุทธานเป็นคนละอย่างกันใช่ไหมปรใช่สก มานะกับมานะปริยุทธานเป็นคนละอย่างกันใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกมานะกับมานะปริยุทธานเป็นอย่างเดียวกันใช่ไหมปรใช่สกมานานุสัยกับมานะปริยุทธานเป็นอย่างเดียวกันใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกทิฏฐานุสัยกับทิฏฐิปริยุทธานเป็นคนละอย่างกันใช่ไหมปรใช่ สกทิฏฐิกับทิฏฐิปริยุทธานเป็นคนละอย่างกันใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้น ส, สก oneself. ทิฏฐิกับทิฏฐิปริยุทธานเป็นอย่างเดียวกันใช่ไหมปรใช่สกทิฐานุสัยกับทิฏฐิปริยุทธานเป็นอย่างเดียวกันใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวิจิกิจฉานุสัยกับวิจิกิจฉาปริยุทธานเป็นคนละอย่างกันใช่ไหม ปรอใช่สกวิจิกตรฉากับวิจิตรฉาปริยุทธานเป็นคนละอย่างกันใช่ไหมปรอไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวิจิตรฉากับวิจิตรฉาปริยุทธานเป็นอย่างเดียวกันใช่ไหมปรอใช่สกวิจิตรฉานุสัยกับวิจิกตรฉาปริยุทธานเป็นอย่างเดียวกันใช่ไหมปรอไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสก ภวะราคานุสัยกับภวะราคะปริยุทธานเป็นคนละอย่างกันใช่ไหมปรใช่สกภวะราคะกับภวะราคาปริยุทธานเป็นคนละอย่างกันใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกภวะราคะกับภวะราคาปริยุทธานเป็นอย่างเดียวกันใช่ไหมปรใช่สกภวะราคานุสัยกับภวะราคาปริยุทธานเป็นอย่างเดียวกันใช่ไหม ปรไม่คว like รกล่าวอย่างนั้นสกเอาวิชานุสัยกับอวิชาปริยุทธ์ฐานเป็นคนละอย่างกันใช่ไหมปรใช่สกเอาวิชากับอวิชาปริยุทธ์ฐานเป็นคนละอย่างกันใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกเอาวิชากับอวิชาปริยุทธ์ฐานเป็นอย่างเดียวกันใช่ไหมปรใช่สก อวิชานุสัยกับอวิชชาปริยุทธานเป็นอย่างเดียวกันใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นเจดร้อหนึ่งปรท่านไม่ยอมรับว่าอนุสัยกับปริยุทธานกิเลสเป็นคนละอย่างกันใช่ไหมสอกอใช่ปรปุทุชนเมื่อจิตที่เป็นกุศลและที่เป็นอพยากลิปเป็นไปอยู่ท่านยอมรับว่ามีอนุสัยใช่ไหมสอกอใช่ปร ท่านยอมรับว่าถูกปริยุทธานกิเลสกรุ่มรุมใช่ไหมสกไม่ควรกล่าวอย่างนั้นปรดังนั้นอนุสัยกับปริยุทธานกิเลสจึงเป็นคนละอย่างกันปรปุถุชนเมื่อจิตที่เป็นกุศลและที่เป็นอัพยกฤเเป็นไปอยู่ท่านยอมรับว่ามีราคะใช่ไหมสกใช่ปรท่านยอมรับว่าถูกปริยุทธานกิเลสกลุ่มรุมใช่ไหม สกไม่ควรกล่าวอย่างนั้นปรดังนั้นราคะกับปริยุทธานกิเลจจึงเป็นคนละอย่างกันอัญโยอนุสยโยติกาถาจบ